พระบัญญัติ485ก็พิสษดใยร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จิวันไปแล้วกลับตีเตียนในภายหลังว่าพวกพิสูุน้อมลาดที่เป็นของสงฆ์ไปตามความคุ้นเคยกันต้องอบัติปาจิตติเรื่องพระทัพพระมลบุตรจบ